หลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยหมู่ที่ห้าตําบลวังทายภูนอำเภอวังทายภูนจังหวัดพิจิตรพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิห้าถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าว่า พาราหะเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักภาราทานังทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลก เล่นทุกอยู่ในโลกนี้แสนทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนาน า, นาชนิดควรกำหนดดูให้รู้แต่แล้วเราผู้มีอินทรีย์อ่อน ปัญญาอ่อนบารมีธรรมอ่อนทางที่ขาดความเพียร น, นั่นแหละก็ยากที่จะรู้เท่าถึงทุกบทบาทที่พระองค์เจ้า ทรงบัญญัติไว้เราต้องอาศัยทำความเพียรและปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มั่นคงลงไปอีกสัจจะความจริงใจตั้งมั่น ลดละนั่นแหละต่อแต่นั้นมันจึงจะเป็นไปจะล่วงพ้นทุก์ได้เพราะความเพียรเห็นธรรมะได้เพราะความเพียรทุกขสมุทยนิโรธมัก อยู่ที่กายกับจิตนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นทำความเพียรลงไปให้มันมั่นคงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นให้มันมัน่นให้มันแน่น ลงไปให้มันแน่นอนจนสมาธิธรรมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วจะได้พิจารณาอีกของจริงมันอยู่ที่ไหน สวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นเมื่อใจชำระกิเลสได้พระนิพพานอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ภาวนาพุทโธ ว่ารู้ให้รู้กายกับใจเท่านั้นทำความเพียรให้หนักเข้าเร่งเข้าเผากิเลสให้เร้าร้อนทั้งวันคืนจนจิตมันยอมจำนน ไม่ไปไหนแล้วก็ชี้เหตุผลให้มันทราบอานิจตาไม่เที่ยงร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกขตาก็เป็นทุกข์ ตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเพราะมันแกเจ็บตายดูคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกันสอนลงไปอีกอย่างนั้นผลสุดท้าย จิตก็รวมเมื่อจิตรวมลงได้ปึ๊บแล้วก็พิจารณาอีกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ ถึงสภาพตายตายปึ๊บไม่มีอะไรเพ่งจนเปื่อยเน่าสาบสูญมันก็หมดเท่านั้นจะเอาอะไรอะไรเป็นเหตุ ปัญหาเป็นตัวเหตุเกิดแก่เจ็บตายเป็นผลอวิชชาเป็นปัจจัยเครื่องส่งพบน้อยพบยหญ่จิตเห็นแจ้งชัดถึงฐานนั้นจิต มันก็ยึดดาบเพชรถอนเท่านั้นแหละทำลายตัณหาอาวิชชากิเลสสังโยชนสิบปัจจัยสิบออกได้หมดก็สบายหมดทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่จึงได้นามว่า จิตตังทานตังสุขมาวหาติจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อย่าหึงหวงห่วงอะไรห่วงใยสังขารมากเกินไปห่วงต้นเสียดีกว่า ตนคือใจใจคือตนนั่นแหละเพราะเหตุใดจึงว่าหลงยึดมัน่นถือมัน่นก็เพราะว่าอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมก็อ่อน การฝึกซ้อมอบรมในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีน้อยบ่มอินรีบารมีธรรมมาน้อยจึงเป็นเหตุให้หลงยึดมั่นถือมั่นส่วนท่านผู้มีอินรีแก่ บารมีแก่มาแล้วท่านก็พิจารณามมลฐานนี้เดี๋ยวๆเท่านั้นแหละก็แตกกระจัดกระจายทำลายศูนย์ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรา ท่านผู้ฉลาดรื้อฟื้นดวงจิตออกจากหลุมลึกคือกิเลสได้หมดแล้วก็พ้นไปจากเครื่องจองจำพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดพ้นไปจากกายสังขารของพญามัจจุราช มีอำนาจเสนาใหญ่